ก็คือเคยทำกรรมในอดีตเอาไว้อดีตชาติและตอนนี้ก็ที่เจ็บป่วยก็เพราะว่ากรรมนั้นมาถึงแล้วนะราะนั้นเนี่ยก็กำลังใช้กรรมอยู่พยาบาลคนนี้ก็ที่ทักทวงก็บอกว่าทำนองว่าไม่ควรจะไปช่วยเหลือเขามากนะเพราะว่า เขาจะได้ใช้กรรมให้หมดหมดในชาตินี้ชาติหน้าเกยด้อยไม่ต้องไปไปใช้กรมรมพยาบาลคนแรกฟังแล้วก็งงงงวยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือทีจริงเนี่ยคนที่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยยิ่งต้องพยายามช่วยเขาถากว่าช่วยเขาให้ให้มีชีวิตรอดไม่ได้ก็ช่วยเขาตายสงบ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 ถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเขาหรือผู้ป่วยหนักถ้าเกิดเราไปช่วยเขาให้เกิดรอดชีวิตขึ้นมาได้เจ้ากรรมในเวงของคนนั้นของผู้ป่วยคนนั้นก็จะไม่พอใจแล้วก็จะมาเล่นงานเราทําทให้เกิดเคราะห์เกิดความลําบากขึ้นมาสรุปก็คือว่าอย่าไปช่วยผู้ป่วยเหล่านี้นะ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 สุขหรทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะการดลบรรดาลของพระเจ้าอาจจะรวมไปถึงการดลบรรดาลของเทวดาทั้งหลายนะอีกลทัทธีหนึ่งนะก็คือความเชื่อว่าสุขหรทุกข์เนี่ยไม่มีสาเหตุชาวผู้จำนวนไม่น้อยเนี่ยมีความคิดความเชื่อข้อแรกเยอะทีเดียวโดวยความเชื่อว่ามันเป็นคําสอนในพุทธศาสนามีอะไรเกิดขึ้นก็ไปเมาว่าเป็นเพราะกรรมเก่า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 เสร็แล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจนะซึ่งเป็นกันเยอะนะในยุคปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะมากเค้เรียกว่าโรคขี้เกียจนะมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอะไรเลยนะมันก็เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่ออกกําลังกายเอาแต่นั่งนะนั่งๆ่งนอนๆอนอันนี้มันก็เห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปอันทะี่พระเจ้าตรัสนะ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 คนไทยนี่หรือว่าชาวพุทธกลายเป็นคนไม่มีน้ำใจได้ง่ายๆไม่ใช่ไม่มีน้ำใจกับกับคนทั่วๆไปเท่า น, นั้นนะอาจจะไม่มีแม้ไม่มีน้ำใจแม้กระทั่งกับพี่น้องเธอไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่าไปพาคนพาจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่านั้นในนครปฐม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 ต่อมาก็งงว่ามันผิดสิ่งข้อที่สามตรงไหนนะเขาก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันหรือถึงมีถ้าเขาอ่าไม่ได้ไปผิดรูปผิดเมียใครมันก็ไม่ได้ผิดสิ่ข้อที่สามแต่นี่เขาแค่ดูแล ก, กันสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เลยไปติดต่อพี่สาวคนนี้แหละให้มาช่วยดูแลน้องชายหน่อยพี่สาวก็บอกว่าเธอเธอพี่สาวปฏิเสธนะว่าเธอกําลังปฏิบัติธรรม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 ด้วยเหตุผลว่าจะเป็นการแทรกแซงกรรมเขาหรือจะหรือกลัวว่าเจ้ากรรมในเวของคนนั้นจะมาเล่นงานเราไอ้ความชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวนี่มันจริงๆรนะไอ้คำนี่มันก็ไม่มีใน่พระไตรปิฎกนะมันมีแต่คู่เวนคู่กรรมไอ้คู่เวนคู่กรรมนี่มันก็ค่อยๆความหมายก็ไม่ตรงกับเจ้ากรรมในเวที่เข้าใจปัจจุบันอย่างนี้ไปเข้าใจว่าเจ้ากรรมในเวคือ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 เพราะไปเข้าใจว่าเนี่ยคนเหล่านี้ผู้ค้อไล่เหล่านี้กําลังใช้กรรม เ, เมื่อใช้กรรมก็ต้องปล่อยให้เขาใช้กรรมไปเราจะไม่ไปแทรกแซงเขาเราจะไม่ไปช่วยเขาเดีย๋ยวจะเป็นการแทรกแซงกรรมเขาแล้วเมืองไทยมันจะเป็นอย่างไรเนะเมืองไทยซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธแต่ว่าปล่อยให้คนที่ประสบอุบัติเหตุนะตายกลางถนนปล่อยให้คนจมน้ําตายปล่อยให้คนถูกกระทำชำเราไม่ช่วยนะ เพราถือว่าเขากําลังใช้กรรมแล้วก็ไม่ช่วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมเนินของเขาจะมาเล่นงานเราเมืองพูดมันก็จะกลายเป็นเมืองนรกไปนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ากฎแห่งกรรมมันซึ่งพระเจ้าสอนเนี่ยเพื่อให้คนทําความดีเ อ, อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเพื่อคุณต่อกันมันกลับกลายสภาพกลายเป็นว่าส่งเสริมให้คนนะไม่มีน้ําใจ ยิงดูได้นับถือพุทธแล้วนี่แต่ถ้าไม่มีน้ําใจแบบนี้นีนะ่การการไม่นับถือพุทธอาจจะดีสะกไกวนะันนี้พูดแบบแรงๆเลยนะถ้านับถือพุทธแบบนี้นี่ไม่นับถือยั ง, ย, งยังจะดีกว่าเนะพราะคนที่เข้าไกลวัดไกลว่าเขาก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยแต่ทําไมคนถือพุทธนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปไปมากับไร้น้ําใจ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 บุญซึ่งมีสิบประการเนี่ยนะหนึ่งในสิบนั่นก็คือปฏิทานธรรมาปฏิทานทธรรมายแปลว่าอะไรแปลว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกศุนกศล น, นะถ้ายิ่งอุทิศส่วนกศุศลให้เท่าไหร่นเนี่ยเราก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าบุญจะน้อยลงยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะอันนี้มองอย่างเห็นกั่ตัวนะยิ่งถ้าอยากได้อยากได้อยากมีมากๆนี่ต้องยิ่ ง, งต้องยิ่งให้ก็คือที่ส่วนกุศลให้คนมากขึ้นเรื่อย คำว่าบุญเนี่ยนะเป็ น, ปนความคิดพื้นฐานเลยนะถ้าเข้าใจผิดนะก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นพุทธมากที่จริงแล้วเนี่ยน ะ, ะมันมีตัวอย่างมากมายนะในชาดกหรือว่าที่พูดถึงความเสียสละนะแม้กระทั่งสละชีวิตนะให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างในในในสมัย กองพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดมาเป็นพราหมณ์แล้วก็วันหนึ่งเห็นแม่เสือตัวหนึ่งมันหิวโซเลยและมันกำลังจะกินลูกน้อยของมันพราหมณ์ก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยรีบไปหาอาหารมาเพื่อให้แม่เสือแม่เสือมจะได้ไม่กินลูกของมัน แต่ปรากว่าลูกสิทธิ์เนี่ยหายไปนานเลยพร เ, เสือนี่มันก็มันก็หิวโซมากขึ้นแล้วมันก็ทำท่าจะขยํำลูกของมันพราหม์ทำยังไงพราหมก์ก็กระโดดลงไปเลยนะเพื่ออุทิศร่างกายเนี่ยอุทิศชีวิตให้ให้แก่แม่เสือเพื่อช่วยชีวิตของลูกเสือเอาไว้ไอ้ถ้าคิดแบบถ้า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 ไม่เพียงแต่อุทิศให้เป็นทานอุทิศทานคือสมบัติทรัพย์สินเท่านั้นไม่เพียงแต่อุทิศอวัยวะนะแต่ว่าอุทิศชีวิตหรือร่างกายให้ด้วยซ้ำํำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีนะถือว่าเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีอย่างหนึ่งแล้วในธรรมในการเวลาเราเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยการไปช่วยเขาเนี่ยก็คือการบําเพญ็ญความดีการบําเพ็ญบา ร, รมีไม่ใช่ไปแทรกแซงกรรมอะไรเขาเลย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 นะเช่นพ่อค้าที่เขาไม่รู้จักวางแผนธุรกิจนั้นทำทำไปทําไปก็อาจจะขาดทุนไอ้ที่ขาดทุนไม่ได้เป็นเพราะว่าไปชาติที่รับไปขโมยใครไว้นะแต่เป็นเพราะว่ากรรมในปัจจุบันนี่แหละการวางแผนบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ดีนะไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวนอันท่าถ้าเข้าใจสมุทัยผิดนะมันก็พาเขาเราเข้าพงไป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 หลายคนพอปรับชีวิตก็ปกกัว่าเออโรคหัวใจก็หายโรคมะเร็งก็บรรเทาลงไปจนะไปคิดว่าที่เกิดขึ้นนะั้นเป็นเพราะการใช้กรรมนะที่จริงถ้าพูดถึงการใช้กรรมเนี่ยนะมันมีการใช้กรรมอยู่2แบบนะใช้กรรมแบบแรกนี่หมายถึงการชดใช้กรรมใช้กรรมแบบที่2นี่หมายถึงการช่วยใช้กรรมนะหมายความว่า อ, อย่างไงนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะ ถ้าใช้กรรมก็คื อ, อก็ก็ถือว่าอยอมทนไปเราทำกรรมไม่ดีในดีตชาตินะชาตินี้เราก็เลยมาใช้กรรมซึ่งก็ดีนะก็ทำให้ไม่ทุกทรมานยอมรับสภาพได้แต่ว่าถ้าหากเราฉลาดสักหน่อยเนี่ยเราสามารถจะช่วยใช้กรรมนั้นได้ก็คือใช้ความเจ็บป่วยเป็นประโยชน์หลายคนเนี่ยนะพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ย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 กล่าวว่าให้ไฟคลอกให้ตายนางสมวดีเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเธอก็แผ่เมตตาให้อภัยนางมาคันธยาถ้าไม่พอนะเธอยังเจริญกรรมฐานด้วยเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือเอาทุกขเวทนาจากไฟที่เผาไหม้เนี่ยมาเป็นมาเป็นอารมณ์มาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญภาวนาผู้งา้คือใช้เวทนาทุปัสสนา เรียกว่าเอาไวยทนาเป็นอารมณ์ดูความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดจกนกระทั่งไฟเผาจนสิ้นชีวิตนะตัวดำเป็นตอตะโกเลยก็มีคนไปทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมนางสามาวดีซึ่งเป็นคนดีมากนะอุปธรรมพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้เหมือนกับว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีนะ พระเจ้าพอได้ฟังเรื่องพอได้ฟังข่าวรับรู้ข่าว ข, าวของนางสมามโมดีก็บอกว่าการตายของนางและบริวารเนี่ยเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าทุกคนนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงที่อนางสาวโมดีนี่ก็เป็นพระสวสดาบัณอยู่แล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์ครงนั้นก็ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าการภาวนาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เนี่ยทำให้ทําให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเสร็จแล้ว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 พระโพธิสัตว์พระปเจพบุตรจ้าร์กำลังบำเพ็ญสมาบัติอยู่นิโรธสมาบัติพอรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจนะนางสาวอดีเนี่ยอดีตชาติของนางสาวอดีกลัวว่าความผิดของตัวเองนี้จะเป็นที่รู้ก็เลยคราวนี้ตั้งใจปกปิดทำลายหลักฐานเลยคือกาปเผาให้มอดไหม้เลยเผาครั้งแรกไม่ตั้งใจแต่เผาคนที่สองนี่ตั้งใจนะกล่า ว, ว่าจะทำลายหลักฐานแต่ปรากฏ ว, ว่าไม่สำเร็จนะ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 อันนี้เป็นเป็นเป็นวิสัยของบัณฑิตเลยนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นโดยเพราะแม้จะเกิดเคราะห์ขึ้นมาก็สามารถจะใช้เคราะห์ให้เป็นให้เป็นประโยชน์ได้ผู้ง่าคือเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมนะบางท่านนี่เจ็บป่วยนะก็พิจารณาความเจ็บป่วยเห็นความเป็นความไม่เที่ยงของสังขารจนบรรลุธรรมเป็นผ้ า, า, หารหันก็มีความเจ็บป่วยป่วยเน่าไม่มีใครชอบนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย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 จเจริญ น, น ะ, จะเจริญกรรมฐานบำเพ็ญกรรมฐานขณะที่ถูกเสือกับบอกว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์คาปากเสือเลยท่านบรรลุธรรมอย่างไรก็ท่านก็จเจริญภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานเหมือนกับนางสาวอาวดีนะคือเอาความเจ็บปวดนี่แหละเอาทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ก็ทําให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากเลยสังขารเป็นทุกข์มากจงกระทั่หรือว่าไม่น่ายึดถือเกิดปัญญานะปล่อยวาง นะปล่อยวางสังขารจิตก็หลุดพ้นะอันนี้เรียกว่ารู้จักช่วยใชนะ้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีหลวงพ่อคเขียนอบอกภาวนาะคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีชาพูดเรานักปฏิบัติเราต้องฉลาดนะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอย่ามวัวแต่คล่ําครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นหรืออย่ามวัวแต่คิดว่าเออเราใช้กรรมนะคิดแค่นั้นไม่พอนะมันต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ เกล้ายกลายเป็นดีนะอันนี้แหละนะถึงจะเป็นเป็นวิสัยของบัณฑิตอ้าวข้ามเนี่ยพูดกับท่า น, นี้กราบพระ